แปดปฐมทุทตะโทสะสิกขาบทภิกษุใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลต้องอาบัติสอย่างคือ 1. ไม่ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะให้พ้นจากพรหมจร์จึงโจรต้องอาบัติทุกกฎ ก, กับสังขารทิเศตสอขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะด่าจึงโจรต้องอาบัต เพราะกล่าวเสียดสี